วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2566เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่พุท ธ, ทธบริษัทสาธุชนผู้มีจิตใจธรรมจะเข้าวัดเพื่อที่จะกราบขอพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาก็คือขอพรจากพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ชีวิตนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญให้แค็งแกราดปลอดภัยจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวง สิ่งที่ชาวพุทธเหล่านั้นขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจากพระรัตนตรัยนั้นเป็นสิ่งที่พระรัตนตรัยไม่สามารถมอบให้กับเราได้แต่สิ่งที่พระรัตนตรัยจะมอบให้กับเราได้ก็คือวิธีที่จะทำให้เราได้รับความสุขความเจริญ แข็ค า, าดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองที่จะสอนวิธีให้เราปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้พบแต่ความสุขความเจริญแข็งคาดปลอดภัยจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวง สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพาริยสงสารกทั้งหลายสอนให้พวกเราได้รับความสุขความเจริญก็คือสอนให้เราสร้างบุญบา ร, รมีกันนั่นเองเพราะไม่มีใครที่จะมาสร้างบุญบา ร, รมีให้กับเราได้ไม่มีใครที่จะสามารถมอบความสุขความเจริญให้กับเราได้ เราต้องเป็นผู้ที่สร้างบุญบารมีสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับตัวของเราเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลตนเป็นผู้ที่จะได้รับผลของบุญของกุศลคือจะได้รับ ความสุขความเจริญความแข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะขอจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือขอพระธรรมคำสั่งคำสอนขอได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆ เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเราจะได้สร้างเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้พบกับความสุขความเจริญนั่นเองบุญบา ร, รมีที่พู้เจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันเพื่อความสุขความเจริญของจิตใ จ, จของพวกเรานั้นก็อยู่ที่ข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมี ส่งสอนให้เรามีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้เรามีความเมตตากับมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกชนิดดวงวิญญาณทุกชนิดถ้าเราได้พบปะกับบุคคลเหล่านี้เราควรจะใช้ความเมตตาให้ความเมตตาต่อกัน การที่จะให้ความเมตตานี้ก็ทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือข้อที่หนึ่งให้เรามีความเมตตาด้วยการไม่จองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันเวลาที่เราเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมาจากการกระทําของผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามเรา ไม่ควรจองเวรจองกรรมกันเราควรที่จะให้อภัยกันเพราะจะทำให้ใจของเรานั้นไม่ทุกข์จะทำให้ใจของเราสุขเพราะว่าการให้อภัยนี้เป็นเหตุทำให้ใจของเรามีความสุขแต่การจองเวรจองกรรมกันนั้นเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ภัยกับเรานั่นเองเพราะถ้าเราไปจองเวรจองกรรม ไปทำร้ายผู้เวลาที่เขาทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจทำความเสียหายให้กับเราเราก็ไปล้างแค้นไปทำร้ายเขาพอเราไปทำร้ายเขาแล้วเขาก็จะโกรธเราเหมือนกับที่เราโกรธเขาแล้วเขาก็จะมาทำร้ายเราเหมือนกับที่เราไปทำร้ายเขานั่นเองแต่ถ้าเราระงับความโกรธ ด้วยความให้อภัยด้วยความไม่จองเวรเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเย็นเราก็จะสบายเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่โ ก, กรธเราไม่ทุกข์เขาก็จะไม่มาทำร้ายเราอันนี้คือวิธีสร้างความสุขให้กับตัวของเราเองวิธีกําจัดความทุกข์ ให้กับตัวของเราด้วยความเมตตาข้อที่หนึ่งก็คือไม่ให้เราไปจองเวรจองกรรมกันให้เราให้อภัยกันการให้อภัยนี้เราต้องมองผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงก็คือเรานี่แหละเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์เวลาที่เราไม่จองเวรจองกรรมเวลาที่เราให้อภัยเพราะพอเราให้อภัยได้ ความโกรธแค้นในใจเราก็จะสงบตัวลงความโกรธแค้นนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะเราโกรธเราอยากจะล้างแค้นแต่พอเรานึกถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขไม่ต้องการมีความทุกข์ไม่ต้องมีเวรมีกรรมกับใครเราก็ต้องให้อภัย เราอย่าไปจองเวรจองกรรมกันพอเราให้อภัยได้เราก็จะไม่จองเวรจองกรรมใจของเราที่โกรธก็จะหายโกรธความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธก็จะหายไปแล้วเวรก็จะไม่มีคือเจ้ากรรมนายเวรก็จะไม่มีมามาลังควานเราเพราะว่าเราไม่ได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมไม่ได้ไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมานั่นเอง พราะเราไม่ได้ไปทำร้ายบุคคลที่เขาสร้างความเสียหายสร้างความโกรธให้กับเราพอเราไม่ไปทำร้ายเขาเขาก็ไม่มาทำร้ายเรานี่คือการสร้างความสุขให้กับใจของเราด้วยความเมตตาข้อที่หนึ่งก็คือให้เราให้ความเมตตาต่อกันและกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะเป็นสัตว์ในราชานก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีหรือเป็นกายทิพย์ต่างๆก็ดีถ้าเรามีเหตุที่จะต้องเจอเขาต้องพบกับเขาก็ให้เราใช้ความเมตตาในการปฏิบัติกับเขาข้อที่หนึ่งก็อย่าจองเวรจองกรรมกันข้อที่สองก็อย่าเบียดเบียนกันคืออย่าไปกระทำอะไรที่ทำให้เกิด โทษเกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นอย่าไปทำอะไรที่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนถ้าเกิดพังเผอไปทําไปก็ให้ขออภัยขอโทษกันอันนี้เป็นข้อที่สองของการที่จะทำให้เรา น, นี้ไม่มีความทุกข์มีความสุขจากการกระทาของเรา<ม>การกระทามันใดที่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน เราต้องอย่าทําเราต้องระ ง, งับไว้พยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่เสียหายเดือดร้อนถ้าเราไม่อยากที่จะพบกับความทุกข์ที่จะตามมาเพราะเมื่อเราไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเขาก็จะกลับมาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเรานั่นเองอันนี่คือข้อที่สองข้อที่สามก็คืออย่าไปทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่น อย่าไปทำร้ายร่างกายเขาอย่าไปทุบตีเขาหรือฆ่าเขาอย่าไปทำให้เขาเสียอกเสียใจโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาแล้วข้อที่สี่ก็คือให้ความสุขกับเขาให้ความสุขอย่างตอนนี้ช่วงปีใหมน่นี้เราจะให้ความสุขต่อกันแล้วกันส่งสอขอสอ ส, สอขสอแปลว่าส่งความสุขนี่คือการแผ่เมตตาการกระทา การปฏิบัติด้วยความเมตตาต่อกันแล้กันให้ความสุขต่อกันเรามีอะไรที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นเขาได้มีความสุขเราก็แบ่งปันให้เขาไปเพราะสิ่งที่เรามีเกินความจําเป็นเก็บไว้เฉยๆมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้สู้เอาไปแจกจ่ายกันดีกว่า เอาไปแปลงสมบัตินี้ให้กลายเป็นทรัพย์ภายในให้เป็นบุญเป็นกุศลที่จะติดตัวไปกับเราได้ที่จะให้ความสุขกับเราหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วได้อันนี้คือการสร้างบุญบา ร, รมีข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราผู้ปรารถนาความสุขความเจริญ ความแก้วคาดปลอดภัยจากทุกทั้งหลายทั้งปวงให้สร้างด้วยการให้ความเมตตาต่อกันการให้ความเมตตานี้ต้องให้ด้วยการกระทำไม่ได้ให้ด้วยการสวดอย่างที่เราอาจจะเข้าใจกันเพราะญาติโยมที่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมมักจะคิดว่าเวลาที่เราสวดบทแผ่เมตตา สัเพสัตตาอเวลาหุตุสัเพสัตตาอปยาปชาหุตุสัเพสัตตาอนิกาหุตุสัเพสัตตาสุขีอัตานังบาลิฮัตุนี้กําลังคิดว่าเรากําลังแผ่เมตตากันแต่ความจริงเราไม่ได้แผ่เลยเพราะว่าเราไม่มีผู้มารับเราต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกัน เวลาที่เราเจอกันนี่นั่นแหละเป็นเวลาที่เราต้องแผ่เมตตาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในสี่วิธีนี้ให้ความสุขเขาด้วยการทักทายเขาเย้มแย้มแจ่มใ ส, สาถามสาวะทุกสุขดิบของกันและกันอันนี้เป็นการกแผ่เมตตาต้องแผ่เมตตาด้วยการกระทาแล้วถามว่าทำไมเราถึงต้องมาสวดบทแผ่เมตตากันทำไม เพราะว่าการสวดนี้เป็นการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าวิธีแผ่เมตตานี้แผ่อย่างไรก็เลยต้องเอามาสวดกันเอามาสอนใจว่าวิธีแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยการไม่จองเวีนกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทาร้ายร่างกายและจิตใจกันและให้ความสุขต่อกันอันนี้เป็นเป้เปาหมายของการสวด คือให้เราให้ความรู้กับเราให้เรารู้วิธีแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไรและอีกอกเหตุหนึ่งของการสดวดบทแผ่เมตตาก็คือเป็นการฝึกจิตเป็นการเจริญสติที่เราเรียกว่าเมตตาภาวนาเป็นการสวดเพื่อทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเรามีความสุขแต่เราไม่ได้แผ่เมตตาให้กับใครในเวลาที่เราสวดกัน ขอให้เราเข้าใจกันไว้เพื่อที่จะได้ก็ได้ไปกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราอาจจะคิดว่าเมื่อเราแผ่เมตตาสวดบุตรแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรเจอใครโกรธใครก็ไม่ให้อภัยเขาจะทำอะไรให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อนก็ไม่สนใจอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาการสวดไม่ได้เป็นการแผ่ การแผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทาของเราถ้าเราแผ่เมตตาด้วยการกระทำของเราได้อา น, นิสงส์ของการแผ่เมตตานี้มีหลากหลายด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือเราจะอยู่เป็นสุขเติรนก็สุขหลับก็สุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะไม่จะไม่เป็น จะไม่ถูกคู่เขาทำร้ายด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษจะมีจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาแล้วก็เวลาทำจิตให้สงบจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่ายถ้าเวลาตายไป ก็จะไปสู่สุคต mm hmm. ิเวลาตายก็จะไม่หลง mm hmm. นี่คืออ น, นิสงค์ของการแผ่เมตตาของการสร้างเมตตาบารมี mm hmm. ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นสร้างกันอยู่เรื่อยๆเพราะนี่แหละคือแหล่งของความสุขของความเจริญของจิตใจที่แท้จริง mm hmm. คือการสร้างบารมีต่างๆ ข้อที่หนึ่งก็คือให้ความเมตตาต่อกันข้อที่สองก็คือให้เราสร้างทานบารมีทานก็แปลว่าการให้ให้สิ่งข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีถ้าเรามีมากเกินกว่าความจําเป็นที่เราจะต้องมีเก็บเอาไว้การเก็บเงินทองไว้เฉยๆนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรา แต่ถ้าเราเอาไปสร้างทานบารมีเอาไปบริจาคให้กับองค์กรต่างๆจะองค์กรไหนก็ได้ถ้าเป็นชาวพุทธเรานี่เราองค์กรแรกที่เราจะคิดถึงกันก็คือคือวัดวาอารามนี่เองเพราะเราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะเราก็ต้องสนับสนุนที่พึ่งของเรา การที่เราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราได้เราก็ต้องมีวัดมีพระสงฆ์องค์เจ้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมเราจึงมุ่งไปที่การทําบุญทำทานกับวัดก่อนแต่ถ้าวัดมีพอเพียงแล้วอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแล้วทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับชาวพุทธเราได้แล้ว เราก็สามารถที่จะไปเอาไปทำบุญที่อื่นได้แต่ก่อนที่เราจะออกไปทำบุญที่วัดนี้บุคคลที่เราไม่ควรจะลืมบุคคลที่เราควรจะทำบุญก่อนก็คือพระในบ้านของเราพระในบ้านของเรานี้ก็มีสองคนก็คือพ่อและแม่ของเราเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเรามาก เป็นบุคคลที่เราจาเป็นที่จะต้องคอยดูแลรับใช้ท่านให้ท่านอยู่ได้อย่างสุขสบายพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านถึงจะสอนอยู่เรื่อยๆว่าอย่าลืมพระในบ้านอ ย, าอย่ามัวแต่ไปหาพระนอกบ้านจนลืมพระในบ้านไปดูแลพระในบ้านของเราก่อนดูแลพ่อแม่ของเราให้ท่านอยู่ดีกินดีให้ท่านอยู่สุขสบายก่อน เมื่อท่านอยู่ดีกินดีสุขสบายแล้วเราค่อยไปทำบุญกับพระนอกบ้านได้เพราะเราก็ต้องอาศัยพระนอกบ้านคือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่มาสั่งมาสอนวิธีที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขความเจริญขั้นต่างๆจนขั้นสูงสุดได้ถ้าไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกมาสั่งสอนแล้วเราจะไม่รู้วิธีกัน เราก็จะไม่สามารถที่จะได้พบกับความสุขความเจริญในระดับต่างๆได้นี่คือการทำทานการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือเวลาก็ได้ถ้าเราไม่มีเงินทองเวลาเราเวลาของเราที่เรามีเวลาว่างไปทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็ได้ถ้าทางวัดนี้มีพร้อมแล้วเราก็ไปทาประโยชน์กับ องค์กรอื่นต่อไปเช่นโรงเรียนโรงเรียนก็เป็นองค์กรที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกให้การศึกษาให้ความรู้กับประชาชนผู้ที่ได้เรียนรู้ก็จะได้มีความรู้เอาไปทรมาหากินแบบสุดจริตจะได้ไม่ต้องมาสร้างปัญหาให้กับสังคมเราก็ไปทำบุญกับโรงเรียนก็ได้หรือเราจะไปทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ โรงพยาบาลก็เป็นที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายของทุกๆคนพวกเราทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันถ้าไม่มีโรงพยาบาลเราก็จะทุกข์ทรมานกันแต่ถ้ามีโรงพยาบาลเราก็จะสามารถมีหมอมียามีพยาบาลมาช่วยรักษาพยาบาลให้โครคภัยไข้เจ็บของเรานี้หายไปได้อย่างรวดเร็วเราก็ เราก็จะได้อยู่อย่างสบายไม่ต้องกลัวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรามีโรงพยาบาลถ้าเราชอบทำบุญกับโรงพยาบาลก็เป็นบุญเหมือนกันบุญก็แปลว่าความสุขใจอิ่มใจเวลาทำแล้วจะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจและเกิดความเจริญทางด้านจิตใจด้วยการทาทานนี้มีอนิสงส์อยู่สองอย่างด้วยกัน คือความสุขและความเจริญทางด้านจิตใจความสุขของจิตใจก็คือความอิ่มใจสุขใจทุกครั้งที่เราได้ทาบุญไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรเป็นการบริจาคสร้างถาวรละวัตถุต่างๆหรือบริจาคให้กับโรงเรียนให้กับโรงพยาบาลหรือให้กับผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ด้อยโอกาสให้เขาได้มีโอกาส ให้เขามีได้มีความสุขจากการเสียสละของเราเวลาเราเสียสละให้ประโยชน์สุขกับผู้อื่นเราใจของเราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานี่เรียกว่าบุญคือความสุขใจอิ่มใจและความสุขใจอิ่มใจนี่แหละที่จะทำให้ใจของเรานี้ยกระดับจากความเป็นมนุษย์นี้ให้ขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่ามนุษย์ ระดับที่สูงกว่ามนุษย์ที่เกิดจากการทำทานก็คือการได้ไปเป็นเทพชั้นต่างๆนั่นเองเป็นเทวดาชั้นต่างๆไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเนี่ยใจของเราที่มีการทำบุญทำทานอย่างสม่าเสมอนี่จะไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆจะเป็นเทพชั้นต่างๆ ตามตำร า, าท่านก็แสดงไว้ว่ามีหกชั้นด้วยกันสวรรค์ชั้นต่ตางๆเป็นชั้นดาวดึงชั้นดุสิตเป็นต้นเป็นผลที่เกิดจากการทําบุญทําทานของเรามากน้อยถ้าทํามากก็จะได้สวรรค์ที่สูงขึ้นไปมากถ้าทําน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ําแต่ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนนี้จะเป็นสวรรค์ที่เป็นที่ที่ให้ความสุขกับเรามากกว่าให้ความทุกข์กับเรา นี่คืออนิสง์หรือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราสร้างบา ร, รมีข้อที่สองคือทานบา ร, รมีแปลว่าการให้คําว่าทานนี้แปลว่าการให้ไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาเราให้กับวัดเราไม่เรียกว่าทานเวลาเราให้กับบุคคลอื่นเราเรียกว่าทานความจริงก็เป็นการให้เหมือนกัน และผลที่ได้รับก็คือบุญเหมือนกันแต่ทางภาษาที่เราใช้กันแล้วมักจะแยกกันว่าเวลาให้วัดนี้เราก็จะเรียกว่าทำบุญเวลาที่เราใหอ้องค์กรอื่นที่ไม่ใช่เป็นวัดนี้เราก็เรียกว่าทำทานแต่ความจริงแล้วเป็นการกระทาอันเดียวกันคือการให้การเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเรา ให้กับผู้อื่นแปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเมื่อเราทำแล้วเราจะได้บุญคือความสุขใจอิ่นใจความสุขใจอุ่นใจนี้จะแปลงเป็นสวรรค์เวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วใจของเราก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเทพชั้นต่างๆนี่คือความสุขความเจริญข้อที่สองที่พวกเราสามารถที่จะทากันได้สร้างกันขึ้นมาได้ ด้วยการทำทานถึงแม้เราจะไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะทำเราก็สามารถทำบุญทำทานได้ด้วยการกร ะ, กระทําความดีทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เกิดประโยชน์สูขแก่ผู้เช่นเราไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานช่วยการองคอ์กรสาธารนณะต่างๆโดยที่ไม่ได้รับค่าค่าใช้ใจ่ายไม่ได้รับค่าค่าจ้างทําฟรี อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญทําทานได้เช่นเดียวกันดังนั้นการทําบุญทําทานนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเงินมีทองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราไม่มีเงินทองแต่เรามีเวลาว่างเราสามารถอุทิศแรงกายของเราแรงใจของเราให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญทําทานเช่นเดียวกันอีกวิธีหนึ่งของการทําบุญทําทานก็คือการให้วิชาความรู้ถ้าเรา มีวิชาความรู้อะไรที่มีคุณมีประโยชน์แล้วเราเอาไปสอนผู้อื่นโดยที่เราไม่เก็บเงินเก็บทองเก็บค่าค่าจ้างเป็นการให้ฟรีๆอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานเป็นการให้ให้ทานให้ความรู้เช่นเรารู้วิชาคณิตศาสตร์รู้วิชาภาษาอังกฤษเราก็ไปสอนเด็กที่ต้องการที่จะเรียนเพิ่มเติม เราก็สอนโดยที่ไม่เก็บสตางค์เขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำวิทยาทานเป็นให้วิชาความรูก้การให้อีกวิธีหนึ่งนี้เราเรียกว่าการให้ธรรมทานคือให้ธรรมะแกะผ่ผู้ถ้าเราได้อ่านหนังสือได้พบหนังสือธรรมะที่ดีๆที่เราอ่านแล้วมีความรู้สึกว่ามีคุณมีประโยชน์ทาให้จิตใจเรานี้มีความนุ่มเย็น เป็นสุขเวลาเราได้อ่านหนังสือธรรมะเราอยากจะเผยแผ่ธรรมะนี้ให้แก่ผู้อื่นด้วยการพิมพ์หนังสือนี้ไปแจกฟรีแจกเป็นธรรมทานอย่างนี้ก็เป็นการทำทำบุญทำทานอีกแบบหนึ่งด้วยกันนะการทําบุญทำทานมีหลายหลายหลายๆวิธีกันแล้วแต่ที่เราจะถนัดที่เราจะสามารถทําได้นี่คือเรื่องของการ สร้างความสุขสร้างความเจริญที่เกิดจากการทำบุญทำทานจะทำให้เหล่านี้มีความสุขในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และเวลาที่เราตายไปเราก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือบุญบา ร, รมีที่พระเจ้าทรงสอนข้อที่สองให้พวกเราชาวพุทธมันทำกันอยู่เรื่อยๆถ้ามีโอกาสถ้ามีความสามารถที่จะทำได้ ข้อที่สามบุญบรารมีข้อที่สามที่สรงสอนให้พวกเรามันสร้างกันก็นกคือศีลบรารมีศีลแปลว่าการระ ง, งับการกระทำบาปทั้งปวงนั่นเองและการเสพอบายามุกต่างๆเพราะการกระทำบาปการเสพอบายามุกนี้เป็นเหตุที่จะทาให้เราตกต่านำความทุกข์มาให้กับเราถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ ต่างๆไม่ต้องการที่จะไปทำดึมจิตใจของเราให้ลงต่ำกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ขณะนี้เราเป็นมนุษย์กันแต่ถ้าเราไปทำบาปเราไม่รักษาศีลไม่เจริญศีลบารมีกันเราก็จะต้องเปลี่ยนจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นไปเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งอีกสี่ชนิดด้วยกันที่อยู่ในอบาย บานี้มีที่เป็นที่อยู่ของผู้ที่กระทำบาปสี่ชนิดด้วยกันผู้ที่กระทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรตผู้ที่ทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายและผู้ที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท ก็จะไปเป็นนรกไปเป็นสัตว์นรกนี่คือที่ไปของผู้ที่กระทำบาปและเสพอบายามุกทําไมต้องละเว้นจากการเสพอบายามุกด้วยเพราะว่าอบายามุกนี้จะเป็นผู้ที่จะดึงให้เราไปทําบาปได้ง่ายนั่นเองอบายอบายามุกนี้ก็แปลว่าทางเข้าอบายอบายมุกก็แปลว่าทางเข้าออกออหรือประตู อบายมุกก็คือทางเข้าออกไปสู่อบายผู้ใดที่ไปเสพอบายมุกนี้ก็ถือว่าไปยืนอยู่ใกล้ทางเข้าอบายแล้วก็คือใกล้ใกล้กับการกระทำบาปนั่นเองเพราะว่าการเสพอบายมุกนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราน Nok ีไปทำบาปได้ง่ายเช่นถ้าเราดื่มสุรายาเมาลุสเสพย า, าเสพติดของมึนเมาทั้งหลาย เราก็จะไม่มีสติที่จะมาคอยยับยั้งความคิดที่ไม่ดีของเราได้เวลาที่เราจะคิดไปทำร้ายผู้อื่นถ้าเราไม่มีสติเรามีอาการมึนเมาเราก็จะทำทันทีจะพูดทันทีจะทำบาปทันทีจะไปทำร้ายผู้อื่นจะไปด่าผู้อื่นเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหตุที่ทำให้เราไปทำบาปเราก็ต้องละเว้นการกระทำบาป และและเว้นการเสพอบายามุกอายามุกนี้ก็มีอยู่หข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือการดื่มสุรายาเมาของบุญเมาทั้งหลายยาเสพติดที่ทําให้ไม่มีสตินี่คืออบายามุกข้อที่หนึ่งข้อที่สคือการเล่นการพนันข้อที่สคือการเที่ยวเตะข้อที่สี่คือความเกลียดคร้านและข้อที่หคือการคบผู้ที่ชอบ อบายมุกเป็นมิตรเพราะถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเขาชอบเที่ยวเตรเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตรเขาชอบความเกลียดคร้านเขาก็จะชวนเราไปให้เราเกลียดค้านดังนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายมุกเพราะอบายมุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย จะทำให้เรานี้สิ้นเนื้อประดาตัวได้แล้วพอเราไม่มีเงินทองพอกินพอใช้เราก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะเอาเงินทองมาเลี้ยงดูเราต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าไปเสพอบาอยามุกเสพแล้วมันจะเป็นตัวผลักดันให้เราไปทำบาปต่อไปผลักดันให้เราไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเพณีและไปพูดปดนี่คือ สิ่งที่เราต้องการพระพุทธเจาต้องการให้พวกเราสร้างกันขึ้นมาให้ได้คือศีลบารมีรักษาศีลห้าให้ได้และละเว้นการเสพอบายามุกให้ได้ถ้าเราทําได้เราจะปิดประตูอบายเราจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำจิตใจของเราป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเรา ม, มัวแต่ทำบาสมัวแต่เสพอบายามุกนี่ จิตใจของเรานี้จะมีแต่ความทุกข์ใจอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาร่างกายเราตายไปจิตใจของเราก็จะไปเป็นเดลฉ า, านไปเกิดเป็นเดลฉ า, านหรือไปเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตหรือเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่ า, าสุลกายหรือเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่นุ่มร้อนด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเรียกว่านารกนี่คือ อ น, นิสง์ของการสร้างบารมีข้อที่สคือศีลบารมีถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์ใจไม่ต้องการที่จะให้ใจเราตกต่ําไม่ต้องการที่จะไปเกิดนับายหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ต้องอย่าอย่าทําบาปอย่าเสพอบา ย, ยามุขด้วยการเจริญศีลบารมีนี่เองวิธีที่จะทําให้เราเจริญศีลบารมีได้ ง่ายก็คือให้เรามีฮิริโอตตปะฮิริแปลว่าความอายโอตตะปะคือความกลัวของผลบาปที่จะตามมาเพราะว่าเวลาที่เราทำบาปนี้ถ้าเรามีความอายีเราจะไม่อยากทำไม่กล้าทำเพราะเรารู้ว่าคนที่ทำบาปนี้จะเป็นคนที่น่ารังเกียจ น, นั่นเองถ้าใครเขารู้ว่าเราเป็นคนโกหกหลอกลวงเป็นคนชอบโกงอย่างนี้ ก็จะไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมกับเราด้วยให้เรามีความอายอายในการกระทำบาปเพราะเราไม่อยากจะให้คนอื่นเขารังเกียจเรา<ม>แล้วก็ให้เรามีความกลัวของกลัวของผลบาปที่จะตามมามผลบาปก็มีสองระยะระยะที่เรามีชีวิตอยู่ทำบาปทำผิดกฎหมายเราก็อาจจะถูกจับไปลงโทษได้ แต่ น, นี้ก็ไม่แน่นอนบางทีเราก็หลบได้บางทีไม่มีใครรู้ว่าเราทําบาปทําผิดกฎหมายก็ไม่มีใครตามมาจับเราก็ได้แต่ความไม่สบายใจความทุกข์ใจมันก็ยังมีอยู่เวลาเราทําอะไรผิดแล้วเราจะกลัวว่าคนอื่นจะรู้จะเห็นแล้วจะไปแจ้งความหรือไปจับเราไปลงโทษนั่นเองอันนี้คือความเรียกว่าโอตตปะ ความกลัวในผลของบาปที่จะตามมาและเวลาที่เราตายไปใจของเรานี้ก็จะต้องไปเกิดในอบายหนีไม่พ้นอันนี้หนีหนีไม่ได้ไม่เหมือนกับหนีตำรวจหนีตำรวจนี่หนีกฎหมายนี่บางทีก็หนีได้เช่นอยู่ในประเทศนี้ก็หนีไปอยู่นอกประเทศเสียกฎหมายก็ตามไปจับตัวเอามาลงโทษไม่ได้ แต่กดแหงแต่กฎแหงกรรมนี่หนีไม่พ้นทำบาปแล้วนี่เวลาตายไปนี่ใจจะต้องไปเกิดนายบายอย่างแน่นอนอย่างนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปรับผลของการกระทําบาปเราก็ต้องหมั่นระลึกถึงผลที่จะตามมาให้มีฮิริโอตตะปะมีความละอายมีความกลัวบาปนี่คือวิธีสร้างความ นิวิธีป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นกับใจของเราไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆมาทำให้ใจของเรานี้อยู่ไม่เป็นสุขกันก็คือการสร้างศีลบา ร, รมีการรักษาศีลห้าและการละเว้นจากการเสพอบายามุกต่างๆข้อที่สบา ร, รมีที่ท่านพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันถ้าเราอยากจะได้ความสุขความเจริญ ที่สูงขึ้นไปอีกความสุขความเจริญของจิตใจนี้มีหลายระดับด้วยกันระดับแรกก็คือระดับมนุษย์เนี่ยเรารักษาความเป็นมนุษย์ไว้ด้วยการรักษาศีลจิตใจของเราก็จะไม่ตกต่าระดับที่สองที่สูงกว่ามนุษย์ก็เรียกว่าระดับของเทพของเทวดาคือสวรรค์ชั้นเทพนั่นเองแล้วถ้าเราอยากจะได้ไป สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพที่มีความสุขมากกว่าเราก็ต้องมาเจริญบารมีอีกสองคู่อีกสองข้อควบคู่กันไปก็คือบารมีข้อที่4คือเนคขมมะบารมีกับข้อที่หคือโอเบขาบารมีเนคขมมะบารมีก็คือการระ ง, งับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพต่างๆคือการออกจากกรรมมาสุข การออกจากการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายวิธีที่เราจะเจริญเนคขมะบารมีนี้ก็คือเราต้องถือศีลแปดนั่นเองต้องมีศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นศีลข้อสามนี้อนุ ญ, ญาตให้เราหาความสุขจากการร่วมหลับนอนด้วยกันได้แต่ต้องร่วมหลับนอนกับผู้ที่เป็นคู่ครองของเราเท่านั้น แต่พอเรามาถือศีลแปดนี้ศีลข้อสามนี้ท่านจะเปลี่ยนเป็นอร拉มจริยาคือให้เราละงับการหาความสุขทางร่างกายด้วยการร่วมหลับนอนกันเพราะเราต้องการเอาเวลาที่จะไปหาความสุข <c oughs> ที่สูงกว่าที่ดีกว่าที่เกิดจากการไปเจริญอุเบกขาบารมีนั่นเองศีลบารมีข้อที่สี่กับข้อที่ห้านี้จะไป คู่กันผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพนี่ก็ต้องละ ก, การหาความสุขทางตางตหูจมูกิืงกายด้วยการมาถือศีลแดกันศีลแดนี้ก็จะเปลี่ยนศีลข้อสอย่างที่ได้กล่าวถึงแล้วแล้วก็เพิ่มศีลข้อที่6 ก็คือให้เราละเว้นการหาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตให้เราดื่มเรารับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายก็พอซึ่งถ้าเราจะดื่มและรับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้เราก็สามารถทําได้ก่อนเที่ยงวันหรือตั้งแต่เช้ามาถึงเที่ยงวันนี้เราก็จะรับประทานอาหารจะดื่มอะไรก็ทําได้แต่หลังจากเที่ยงวันแล้วเราควรจะหยุดได้แล้ว เพราะว่าเราได้ดื่มได้รับประทาอาหารพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแล้วเพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่จะเอามาใช้กับการหาความสุขจากการเจริญอุเบกขาบาลมีก็คือการฝึกสตินั่งสมาธินี่เป็นการสร้างอุเบกขาเพื่อความสุขที่เกิดจากความสงบของใจต้องมีเวลาถ้าเราไม่ถือศีลแปดนี้เราก็จะมิ เราก็จะสามารถไปทำเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้จะกินกี่มื้อกี่ครั้งก็ได้จะไปร่วมหลับนอนกี่ครั้งเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็สีลข้อที่เจก็คือไม่ให้เราไปหาความสุขจากการบันเทิงสิ่งบันเทิงต่างๆเช่นการร้องร้องรำทำเพลงเป็นต้นไม่ให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ทางด้านบันเทิงเช่นดูหนังฟังเพลงแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามทางร่างกายเพราะความสุขเหล่านี้เป็นเรียกว่ากามาสุขเป็นความสุขที่ต่ำกว่าความสุขที่เราจะได้จากการที่เราไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขาบารมีขึ้นมานี่คือและสีลข้อที่8ก็คือเราต้องไม่หาความ สุขจากการหลับนอนหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายไม่ให้ต้องการให้หลับนอนมากวิธีที่จะไม่หลับนอนมากวิธีที่จะให้ร่างกายได้พักผ่อนก็คือให้เรานอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปบนอย่าไปนอนบนเตียงสำรานเตียงที่สุขที่สบายที่มีความนุ่ม เพราะจะนอนมากเกินไปแล้วจะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขาบารมีอันนี้คือเน่ัมมะบารมีคือแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเรียกว่าเนคฆัมมะบารมีเช่นญาติโยมที่มาอยู่วัดกันส่วนใหญ่ก็จะมาเจริญเน่ัมมะบารมีจะมาถือศีลแปดกัน จะไม่ลับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่ดูไม่ฟังพวกบันเทิงอะไรต่างๆจะใช้เวลาให้กับการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นเพราะนี่เป็นวิธีที่จะทำให้เกิดความสุขที่สูงขึ้นไปสูงจากระดับเทพระดับเทพนี้เป็นความสุขทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายการ ม, มาสุข ระดับพรมนี้จะระงับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเพื่อที่จะได้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะการที่จะทำให้ใจสงบได้นี้ต้องมีสติที่ทำงานอย่างต่อเนื่องทำตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับเลยถ้าเป็นไปได้เพราะใจของเรานี้คิดมันทำงานตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมานี้เราเริ่มคิด แล้วเราก็คิดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะนอนหลับความคิดนี่แหละเป็นอุปสรรคขวางกั้นที่จะทำให้ใจไม่สามารถเข้าสู่ความสุขที่สูงกว่าความสุขทางการมสุขได้ต้องหยุดความคิดให้ได้และสิ่งที่จะมาหยุดความคิดได้นี้เราก็เรียกว่าสติเราต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีสติแล้วนี่ใจจะไม่หยุดคิด เมื่อใจไม่หยุดคิดใจจะไม่นิ่งไม่สงบเมื่อใจไม่นิ่งไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุขไม่มีอุเบกขาดังดนั้นและการที่จะมีเวลามาเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนก็ต้องถือศีลแปแล้วก็ต้องมีสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติเช่นถ้าอยากจะถือศีลแปดอยากจะเจริญเนคขมบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีนี้ จำเป็นที่จะต้องไปอยู่สถานที่ที่มีความสงบเช่นอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆวัดป่าวัดเขาที่เน้นความสงบเว้นการเวน้เวนการการเสบรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆให้สัมมูลตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปดูรูปเสียงกดลิ่นรสที่ให้ความบันเทิงเรื่มเลิศใจเพราะเป็นความสุขชนิดหยาบเราต้องการที่จะเข้าหาความสุขที่ชนิดที่สูงกว่า เป็น ค, ความสุขที่ได้จากความสงบความสุขที่ได้ความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายและเป็นความสุขที่จะติดไปกับใจของเราที่จะเป็นเป็นสมบัติที่แท้จริงที่จะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายพอเราไม่มีร่างกายหรือร่างกายเกิดบกพร่องขึ้นมา เราก็จะไม่สามารถหาความสุขได้พอเราไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องเจอกับความทุกข์ใจเวลาที่ร่างกายเราแก่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้ว mm hmm. เราต้องมาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายคือค ว, ความสุขจากการทาใจให้สงบ ด้วยการถือศีลแปดหรือเนฆา ม, มะบา ร, รมีแล้วก็ไปหาสถานที่สงบสงัดวิเวกสถานที่ต้องสงัดต้องวิเวกถึงจะทาให้ทาใจให้สงบสงัดวิเวกได้ถ้าสถานที่เป็นสถานที่ที่มีเสียงอือกระทึกคุกโคลมมีกิจกรรมอะไรต่างๆนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบให้มีความสุขได้ นี่คือเนืธมะบารมีเราต้องถือศีลแปดแล้วก็หมั่นเจริญสติสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขาบารมีอุเบกขานี่แปลว่าอะไรอุเบกขาแปลว่าใจเป็นกลางใจไม่มีความรักชังกลัวหลงอันนี้เป็นคุณสมบัติอันเลิศอันประเสรศิฐที่จะปกป้องไม่ให้ใจนั้นต้องไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ เหตุที่ทำให้ใจของเราทุกกันทุกวันนี้ก็เพราะความรักบ้างความชังบ้างความกลัวบ้างความหลงบ้างนั่นเองแต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเราจะไม่มีความรักชังกลัวหลงเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรเราจะเฉยเฉยไม่วุ่นวายใจไม่ดีใจไม่เสียใจถ้าเรามีอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นผลที่เกิดจากการเราฝึกสตินั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำกันถ้าเราต้องการที่จะได้อุเบกขาได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบเราต้องหมั่นเจริญสติเราต้องหยุดความคิดให้ได้<ม>เพราะว่าถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้ใจจะไม่นิ่งไม่สงบเหมือนกับรถยนต์นี้การที่เราจะให้รถยนต์จอดได้นี้เราต้องเหยียบเบรกถ้าเราไม่มีเบรกนี้รถจะไม่ไม่จอดรถมันจะวิ่งไปเรื่อยๆวิธีที่จะทำให รถจอดเราก็ต้องเหยียบเบรกกันฉันใดถ้าเราต้องการให้ใจเรานิ่งสงบให้ใจเรามีความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางตาหูจมูกิ่นกายเราก็ต้องหมั่นเจริญสติคือคอยเหยียบเหยียบเบรกใจอยู่เรื่อยๆหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะใช้สติหยุดใจไม่ให้คิดก็คือเรียกว่าการเจริญสติใช้กรรมาฐานเราต้องมีอารมณ์ที่ผูกใจไว้ ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นปลูกใจไว้ให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้เราอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เราเรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติการใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งสติของเรา เ, เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อไม่ให้ใจของเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆวิธีที่เจริญพุทธานุสตินี้ก็มีสองวิธีด้วยกันเช่นการระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบทอิติปิโสอิติปิโสภะกวาละหังสัมมาสัมพุทโธให้สวดไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเราไม่ชอบใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราใช้ถ้าเราไม่ชอบสวดชอบใช้พุทโธแล้วก็พุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธเราก็จะไปไม่สามารถไปนึกไปคิดถึงเรื่องอื่นได้นั่นเองพอเราไม่คิดไม่นึกถึงเรื่องอื่นเวลาเรามานั่งสมาธิเดี๋ยวใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบ พอใจสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเนีอันนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าที่มั่นคงกว่าเพราะความสุขแบบความสงบใจนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่จาเป็นจะต้องอาศัยเงินทองเพราะว่า เวลาที่เราอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสแต่ละครั้งนี้เราต้องมีเงินทองมีสถานที่ที่เราต้องไปเสพเช่นมีภาพยนตร์ให้เราดูมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราไปแล้วร่างกายของเราก็สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ต้องมอีการเดินทางก็ต้องเดินทางไปอย่างราบรื่นพาหนะที่พาเราไปเดินทางก็ต้องพร้อมทุกอย่างการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการนี้ มันเป็นความสุขที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากต้องใช้สิ่งต่างๆมาสนับสนุนถึงจะได้แล้วก็เป็นความสุขที่ได้เดียวเดียวพอเราไปเที่ยวกลับมาบ้านความสุขที่เราได้นั้นก็หายไปทำให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายทำให้เราอยากจะออกไปเที่ยวอีกแต่ความสุขที่เราได้จากการฝึกจิตทําจิตให้สงบด้วยการจเจริญในมมื้อมบารมี และเจริญอุเบกขาบาลาีนี้มันไม่ยุ่งยากมันไม่ต้องใช้อะไรมากมายใช้สติเพียงอย่างเดียวแล้วก็ใช้สีแปดมาช่วยสนับสนุนคอยป้องกันไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกแล้วเราก็ต้องมีความเพียรมีความขยันที่หมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆทา มันจะเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดจะหยุดพุดโทโธก็แต่เมื่อมีเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดก็คิดได้พอคิดเสร็จก็หยุดคิดแล้วก็มาพุโทโธพุโทโธใหม่แล้วพอเรามีเวลานั่งสมาธิได้เราก็นั่งกันนั่งแล้วเราก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพุโทโธนี้ก็จะทําให้ใจนิ่งสงบทําให้ใจได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เหนืกับความสุขทั้งปวงและทำให้ใจของเรามีอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆนี้ใจของเราจะเย็นจะเฉยใครจะใครจะวะใครจะพูดอะไรว่าอะไรนี้เราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะเรามีอุเบกขาเพียงแต่ว่าอุเบกขาที่เราได้จากสมาธินี้มันยังเป็นอุเบกขาแบบชั่วคราวอยู่มันสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จางหายไป พอใจเราไม่มีอุเบกขาใจที่เย็นก็จะกลายเป็นใจที่ร้อนขึ้นมาเวลาใครพูดอะไรไม่ดีก็โกรธขึ้นมาได้ ท, ทันทีวิธีที่จะทำให้ใจของเรานี้เย็นมีอุเบกขาตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาทั้งในขณะที่เราอยู่ในสมาธิหรือในขณะที่เราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องมาเจริญบุญบา ร, รมีข้อที่6บุญบา ร, รมีข้อที่หนี้เรียกว่าปัญญา ปัญญาคือความรู้ที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งต่างๆที่มาคบมากระทบกับจิตใจของเราสิ่งที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีอุบเบกขานี้ใจของเรานี้จะเป็นเหมือนจิ้งหรีด mm hmm. เวลาใครเขาพูดดีก็ดีอกดีใจเวลาเขาพูดไม่ดีก็เกิดความโกรธเกิค ด, ค ว, ด, ค, วดความเสียใจขึ้นมา ใจของเราก็จะทุกข์กับความดีใจกับความเสียใจไปตลอดเวลาหาความสุขไม่หาความสงบไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาพระพุทธเจ้าทรงจะสอนให้เรารู้ว่าให้เราเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้นี้เป็นใจลักษณ์คือเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พาเขาไม่เป็นตามความอยากใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าอยากใจเราอยากจะเย็นจะเฉยจะสบายเราต้องรู้ทันเราอย่าไปหวังอะไรจากสิ่งที่เราได้สัมผัสรับรู้อย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ให้เราเฉยๆกับสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้เพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ เราไปห้ามฝนตกไม่ได้เราห้ามแดดออกไม่ได้ห้ามอากาศไม่ให้หนาวให้ร้อนได้ไม่ได้จัน้นใดสิ่งต่างๆที่เราสัมกัดรับรู้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราดูทุกอย่างว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราก็จะไม่ทุกข์กันเราไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องดินฟ้าอากาศกันเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ ฉันใดบุคคลต่างๆที่เราสัมผันธ์หรือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราไปถ้าเราไปยินดีเวลาเราไปเจอสิ่งที่เราชอบเพราะสิ่งที่เราชอบหมดไปเปลี่ยนไปก็จะทําให้เราเสียใจ แต่ถ้าเราไม่ยินดีเราเฉยๆเวลาสิ่งที่เราชอบเวลาจากเราไปเมื่อหมดไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจแล้วถ้าเราไม่ยินร้ายเวลาเราเจออะไรเช่นเจอคนเขาด่าเราเจอคนที่เขาพูดอะไรไม่ดีกับเราถ้าเราไม่ไม่มีความรู้สึกยินร้ายกับเขาแล้วก็เฉยๆไปห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะด่าก็าปากของเขาก็าปล่อยก็ด่าไปแต่ใจของเราถ้ามีอุเบกขามีปัญญาหรือว่าเป็นการ ประสบกับ อ, อุปรากฏการทางธรรมชาติเหมือนพ้าฝนตกแดดออกคนด่าเราก็ เ, เหมือนฝนตกแดดออกให้มองอย่างนั้นให้ได้ถ้ามองให้เห็นว่าเป็นเหมือนฝนตกแดดออกได้เราก็เฉยได้เพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามขอไม่ได้ไม่หนึ่งนี่คือปัญญาบารมีคือการให้ให้เห็นใจรักตลอดเวลาในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสกับ จ, จิตใจของเรา แม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นตายรักเหมือนกันร่างกายของเรามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความรู้สึกที่เราสัมผัสผ่านทางร่างกายมันก็เป็นตายรักมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขมีทั้งไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราจะไปสั่งให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เป็นทุกข์ขึ้นมา ให้เราเข้าใจหลักของความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอ น, นิจจังไม่เที่ยงอนาตตาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีใครควบคุมบังคับได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรานี่คือการสร้างปัญญาบารมีเพื่อที่จะรักษาให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับอะไรให้ใจของเรานี้ ตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความสุขได้ตลอดเวลาอันนี้แหละคือวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงนํามามาสอนให้กับพวกเราให้พวกเรานําเอาไปปฏิบัติกันพระพุทธเจ้ามอบความสุขเหล่านี้ให้กับเราไม่ได้ถ้ามอบได้พวกเราก็สบายกันแล้วก็เกิดมาปั๊บก็พอนับถือศาสนาพุทธปั๊บก็ไปถึงนิพพานได้เลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ดี แต่แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้เราไปถึงนิพพานไปถึงความสุขความเจริญที่แท้จริงที่ถาวรได้ถ้าเรามาศึกษามาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเรียนรู้วิธีสร้างบุญบารมีต่างๆเมื่อเราเรียนรู้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติไปตามกาลังของเราไปตั้งแต่ขั้นต่าไปถึงขั้นสูง่ย ขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นเมตตาขั้นที่สองก็คือขั้นทานขั้นที่สามก็คือขั้นศีลขั้นที่สี่ก็คือขั้นเนคขามะบารมีขั้นที่ห้าก็คือเบขาและขั้นที่หกก็คือปัญญาสิ่งเหล่านี้เราสามารถพัฒนาได้เป็นขั้นขั้นไปเหมือนกับตอนที่เราไปเรียนหนังสือตอนต้นเราก็เข้าอนุบาลแล้วเราก็ขึ้นไปสู่ชั้นประถมอยากชั้นประถมเราก็ขึ้นไปสู่ชั้นมัธยม อย่างมัธยมเราก็เข้าสู่อุดมศึกษาไปสู่ขั้นปริญญาตีโทเอกได้ตามลำดับอันนี้เกิดจากการที่เรามีความตั้งใจที่จะเรียนอย่างต่อเนื่องเรียนทุกวันยกเว้นเวลาเป็นวันหยุดแร้วช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมแต่พอโรงเรียนเปิดเทอมเราก็ไปโรงเรียนกันเรียนกันไม่หยุดไม่หย่อนในที่สุดเราก็จะไปถึงจุดที่สูงสุดของการศึกษาได้ยันได้การสร้างความสุขความเจริญให้กับจิตใจ ก็เช่นเดียวกันเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นไปคือขั้นเมตตาบามีให้ฝึกเมตตาอยู่เรื่อยๆแล้วจะทำให้เราไปทำทานได้ง่ายทำทานได้เราก็จะรักษาศีลได้ง่ายรักษาศีลได้ง่ายได้ได้แล้วก็จะไปเจริญเนคขมะได้ง่ายเมื่อมีเนคขมะก็จะทำให้เราได้อุเบกขาพอได้อุเบกขาก็จะทำให้เราไปเจริญปัญญา เพื่อทำให้ใจของเรานี้มีความสงบมีความสุขตลอดเวลาได้นี่คือวิธีการให้ความสุขกับเราในวันขึ้นปีใหม่ก็คือให้เรานำเอาคำสั่งคำสอนคือการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆนี้ไปปฏิบัติแล้วผลจะต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาก็ขออนุมูธนาให้พร ยะธาวาเรวหาปุราริกุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิตุท e ินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตางตุมห um ังพิปเเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปนะราโสยธามนิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวจชันตุสัพพโรโขวินัสสตุมาเตภวตวันตารายุสุขีทีคาโยโกภวะ อาพิวาทานาสีลิสานิจังวุทธาปจายิโนจตารูธรรมวาทันติอายุวันโอสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามข อ, อเชิญถามได้ในช่วงนี้ จะมีเวลาไม่มากเหลือประมาณสักสินาทีเสร็จๆใครอยากจะถามก็เข้ามาถามได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งข้อความทางเพจทางยู u b e ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ทั้งหมดเรียบกับเรียนพระอาจารย์ค่ะธรรมานากุดเฟ e b o o k พระอาจารย์ 411 YouTube พระสุชาติ237 YouTube ดรว109วิทยุออนไลน์10คลับเฮาส์11น้ากุด307รวม 1,085 ท่านค่ะใครมีคำถามก็เชิญอา่านมาได้เลยมีน้องอยู่ข้างหลังอยากจะถามอะไ ร, รถามพระอาจารย์ค่ะพูดดังๆหน่อยจ้าค่ะ เจ้ากรรมในเวรของเราเป็นผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเราอยากจะให้ความเมตตากับเขาเราควรจะทําด้วยวิธีไหนได้บ้างเจ้าคะก็ทําบุญอุทิศส่วนบุญไปให้เขาไปอย่างเช่นวันนี้มาทําบุญทําทานก็อุทิศส่วนบุญไปให้เขาถ้าเขารอรับอยู่ก็ได้ถ้าเขาไม่รอรับอยู่ก็ไม่ได้บางทีเขาก็ไม่เอาเขาจะมาล้างแค้นอย่างเดียวก็ต้องยอมต้องทําใจเป็นอุเบกขาแล้วการสวดมนต์แผ่เมตตาจะช่วยได้บ้างไหมเจ้าคะ ช่วยให้คนสวดนะคนสวดจะได้สบายใจจะได้ไม่ทุกข์แต่คนที่เราไปแผลเขายังไม่รู้เรื่องว่าเราแผลเราต้องเจอกับเขาโดยตรงถ้าเจอเขาแล้วบอกขอโทษนะมีค่าชดใช้ค่าเสียหายได้ก็ชดใช้ไปเขาก็อาจจะหายโกรธได้แต่การสวดนี้ไม่มีใครรับรู้นอกจากตัวเราเอง แล้วทักการบวชอุทิศตัวเข้ามาทางพระพุทธศาสนาจะช่วยทําให้เบาบางได้ไหมเจ้าคะอ๋อเวรกรรมที่เราทําไว้มันเบาบางไม่ได้มันต้องมันต้องใช้ไปช้าก็เรยวทัว้งนี้มันก็ทําทใจไว้ถ้ามีอุบเบกขาแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนใจเราจะไม่ทุกข์กับการจองเวรจองกรรมของใครกับขอบพระคุณเจ้าค่ะ คำถามจากหน้ากุดค่ะสักคุณจิรพัทนค่ะเวลานั่งสมาธิจะมีช่วงที่เกิดความปิติและมักจะหลงในสภาวะเหล่านั้นรู้สึกหลงชอบอยากให้อยู่นานๆขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับออความสุขจากสมาธิมันนี้ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรสามารถติดได้เพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกจากสมาธิก็ต้องออกมาแล้วก็ไปทาหน้าที่ทางปัญญาต่อ แต่ทางสมาธิถ้าเราอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็อยู่ไปไม่เสียหายตรงไห น, นค่ะคำถามจากนากุดคุณแสงเทียนค่ะคำถามที่หนึ่งจิตผู้รู้ทำหน้าที่รับรู้สิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราจะไม่หลงกิเลตต่างๆต้องมีสติที่ทำงานควบคู่และเท่าทันจิตผู้รู้ตลอดเวลาใช่หรือไม่คะก็มีสตินับนรเบนะิขาถ้ามีสติทาใจรใะเบิขาได้ เวลาสัมผัสรับรู้อะไรก็จะเฉยไม่วุ่นวายใจไปกับสิ่งที่รับรู้ถ้าไม่มีอุเบกขาก็เดี๋ยวก็ต้องเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาคําถามข้อที่2ค่ะการตั้งเป้าหมายว่าข้าพเจ้าต้องสอบให้ได้เอทุกวิชาสามารถทําได้ไหมคะจะทําให้เกิดกิเลส ต, ต่อจิตไหมคะไม่ไม่เป็นกิเลสหรอกเพราะการตั้งเป้าหมายทําความดีนี้ตั้งให้สูงสุดได้แต่จะทําได้หรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึง่ง ถ้าท่านทำไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจอย่าอย่าไปทุกข์ใจกับการตั้งของเราคําถามจากหน้ากุดจากผู้ไม่ประสงค์ออกงามรบกวนสอบถามอาจารย์ครับสภาวะของวิมุตเป็นอย่างไรครับมนคนออกจากคุกะวิมุติก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากการถูกจับขังคุกอยู่ในคุกกับอยู่นอกคุกต่างกันอย่างไรวิมุติในใจเราก็อย่างนั้น อันนี้ใจเรามีกิเลสมีอะไรมาลุมล้อมมาคอยสร้างความทุกข์ให้กับเราพอเราได้วิมุตต์ก็ก่เลสความทุกข์ร้อนทั้งหลายก็หายไปหมดเหมือนออกจากห้องเหมือนจะออกจากข้างนอกที่มันร้อนแล้วเข้าไปในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศพอเข้าไปแล้วมันก็เย็นสบายนั่นคือวิมุตต์ปราศจากความทุกข์ร้อนต่างๆคําถามถัดไปจากหน้ากุดค่ะ เรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราอิจฉาโกรธแค้นงอนนินทาแต่ทุกอย่างอยู่ในใจเราจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาป แ, แต่มันจะทําให้เราทุกข์โดยใช่เหตุชึ่งเราระงับความอิจฉาความโกรดนี้ดีกว่าโดยการยอมรับความจริงว่าคนเรามีเก่งกว่าเราเท่าเราเลยด้อยกว่าเราเราไม่สามารถที่จะไปทําให้เหมือนกับทุกคนได้บางคนเขาก็เก่งกว่าเราเราก็อย่าไปอิจฉาเขา บางคนเขาด้อยกับเราก็อย่าไปกังวลอย่าไปทุกข์กับเขาถือว่าเป็นเรื่องบุญกรรมของแต่ละคนไปค่ะคำถามจัดถัดไปจาก Facebook ค่ะจากคุณพรมริขิจใจรักษาปราบนมัมสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาเรียนถามปัญหาสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิต่างกันอย่างไรอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับ ก็สมาสมาธิก็ใจที่สงบนิ่งเป็นอุเบกขาเป็นพร้อมที่จะไปเจริญปัญญาก็เรียกสมาสมาธิวิชชาสมาธิกอใจที่มีปาฏิหารมีความรู้ความสามารถสามารถท่องเที่ยวนาลกสวรรค์ไปคุยกับเทวดากายทิพย์ได้ตวงนี้เป็นวิชชาสมาธิเพราะไม่มีอุเบกขาไม่มีกาลังที่จะไปเจริญทางปัญญาเพื่อดับความทุกข์ได้ ถามข้อที่สองค่ะผมยังสงสัยคำว่านิโรธสมาบัติคืออะไรอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้หายสงสัยนะครับคือการเข้าสมาธิระดับสูงสุดจิตทุกอย่างหยุดหมดกายเวทนาสัญญาสังขารวิญาญณญหยุดทำงานชั่วคราวเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวเรียกว่านิโรธสมาบัติขั้นอื่นๆยังมีขันที่ยังทางานอยู่บางส่วนคือสัญญายังมีทางานอยู่ คำถามสากคุณแบมแบมมีคนตั้งพระพุทธรูปอยู่ชั้นล่างของคอนโดแล้วถ้าเราอยู่ชั้นบนจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นหลอกงี้เราบินข้ามวอนข้ามวาก็บินไม่ได้นรืองเครื่องบินนียคนละศาสตร์คนละส่วนกันถ้าเราแยกแยะได้ถ้าเราอยู่ในห้องเราเราก็ควรจะยกของสูงไว้ที่สูงแต่ถ้ามันไม่อยู่ในวิสัยของเราก็ก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องของเขา คำถามจาก Facebook ค่ะจากคุณมีแค่เธอก็เกินพอกับเรียนพระถามพระอาจารย์ค่ะปกติจะชอบเปิดคลิปการเทศนาธรรมหรือพระสูตรฟังก่อนนอนบางทีฟังแล้วหลับไปแบบนี้ผิดหรือไม่คะแบบนี้ถือแต่ไม่ได้ประโยชน์คือไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้เพราะหลับการฟังเทศน์นี่เป็นการศึกษาเล่าเรียนธรรมะแต่ถ้าเราฟังแล้วหลับเราก็ได้เป็นแค่ยานอนหลับเท่านั้นเอง ค, คำถามถัดไปจาก Facebook ค่ะตั้งแต่เริ่มฝึกลมหายใจทำไมหนูเหมือนจะกลายเป็นคนไร้น้ำใจปกติจะมีความห่วงพ่อกับแม่มาก คุณพ the the so mm ่อเกิดอุบัติเหตุตกน้ำแต่สามารถไว้ขึ้นมาได้แต่ความรู้สึกของหนูกลับรู้สึกเฉยๆหรือแม้แต่ตอนกลับบ้านช่วงเทศกาลแกก็บ่นบนปวดเมื่อยปวดแขนไม่สบายหนูก็ได้แต่ถามไถ่เฉยๆแค่ถามว่าอยากไปหาหมอไหมแค่นี้ไม่ได้มีความกระวนกระวายเลยเฉยๆมากทําไมเป็นแบบนี้จะแก้ได้อย่างไรคะอ๋อไม่ต้องแก้แล้วนี่คือคือสภาพที่เราควรจะเป็นก็คือเราไปวุ่นวายกับเขาเราไปช่วยเขาได้แล้วเปล่า ใบแก้เขาได้หรือเปล่านะยังการที่เราทําใจเฉยนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเมตตาเรามีอุเบกขาแต่เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องสแสดงเมตตาเราก็ต้องสแสดงถามสาวทุกสุขดิบถามว่าจะให้ช่วยเหลือให้ทําอะไรหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราเห็นว่าเราทำอะไรให้เขาได้เราก็ทําไปแต่ใจเราไม่ต้องไปวุ่นวายเสียใจอะไรกับความเป็นไปของเขาเพราะความวุ่นวายใจของเราไม่สามารถไปเปลี่ยน ความทุกข์หรือปัญหาของเขาได้ค่ะคําถามหน้ากุดค่ะเราจะแยกถีนมิธากับชานได้อย่างไรคะถีนมิธาก็คือความง่วงเหงาเอาหนอนนี่ถ้าเข้าชานเข้าสงบมันจะตื่ น, ม, นมันจะ ส, สติจะตื่นตัวจะมีความรู้สึกเหมือนกับได้เจอของมหัศจรรย์ใจเหมือนเราไปชอปปิง้งเห็นกระเป๋าสวยๆเนี่ยมันตื่นขึ้นมาทันทีเห็นตอนตอนเดินก็เซอมสเลอ นะแต่พอไปเห็นของที่ถูกใจวับนี่มันตื่นขึ้นมาทันทีใจก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิบางทีงค่ำเพลิม อ, อยากจะหลับแต่ถ้าพอมันรวมมันเป็นสงบเป็นสมาธินี่มันตื่นขึ้นมาเลยมันได้พบกับของมหาส า, ารย์ใจอันนี้มันรู้เองนะสองนี้มันต้องรู้เอง คำถามหน้ากุดค่ะหากนั่งสมาธิแล้วเสียงวับข้างดังจนทำให้กายเรามีอาการปวดหูถามว่าเราควรนั่งต่อเพื่อทนต่อความปวดนั้นหรือออกจากสมาธิคะถ้าเราทนได้ก็ทนไปถ้าทนไม่ได้ก็ออกมาทนได้ก็ดีฟังเฉยได้ปล่อยให้มันปวดไปให้มันเจ็บไปเราอย่าไปปวดไปเจ็บกับมันก็แล้วกันคำถามจากน้ากุดค่ะ คำถามแรกตอนนี้สภาวะจิตเป็นทุกข์มากเพราะทางกายภาพคุณหมอบอกว่าร่างกายสมองหลังสารเคมีที่ทำให้เราซึมเศร้าและหวั่นไหวโดยอัตโนมัติจะมีวิธีการพิจารณาทางธรรมช่วยให้ตัวผู้รู้เอาชนะอาวิชาหรือตัวหลงนี้อย่างไรได้บ้างคะก็ฝึกสมาธิฝึกสติหยุดคิดถึงเรื่องของร่างกายทำใจให้นิ่งให้สงบ พ, พอใจสงบแล้วอาการของร่างกายต่างๆก็จะไม่เป็นปัญหากับใจ คำถามข้อที่สองความเป็นห่วงและปรารถนาดีต่อบุพการีและคนในครอบครัวเวลาเราปรารถนาดีเตือนเวลาเราปรารถนาดีเตือนพูดให้ฟังด้วยธรรมแต่เมื่อทุกคนมีความวิตกกังวลและเพราะความเป็นห่วงใ ย, ยกันและกันแต่กลับทำให้เกิดทุกข์กันมากในทุกททุกจิตของทุกคนควรทำอย่างไรดีเจ้าคะคือความห่วงใ ย, ยมันก็ต้องมีขอบเขตของความเป็นไปได้ สงยายเขาแล้วเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยไปแต่มันถ้ามันเรื่องเหตุสุดวิสัยที่เหนือความสามารถของเราเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขา mm hmm. ไปห่วงไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆ mm hmm. ถ้าห่วงแล้วทำอะไรได้ก็ทำไป mm hmm. แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของกรรมไปเรื mm ่อ hmm. งของบุญของบาปไป คำถามจากคุณสมสกุลค่ะทำบุญสุขใจทำบาปสุขใจก็มีเช่นตกปลาชนตกปลาชนไก่ชนวัวผมชอบดูไม่รู้บาปไหมครับการดูการสิ่งที่เป็นการกระทำบาปนี้มันก็เป็นการสอนใจให้มันชอบสิ่งเหล่านี้แล้วต่อไปเราก็าอาจจะไปทำเองต่อไปได้ถึงไม่ควรที่จะไปดูการทารุณกรรมโหดร้ายต่อผู้อื่ ควรจะดูเรื่องของความเมตตาจะดีกว่าเราเห็นคนเขาให้ความเมตตาช่วยเหลือกันดูแลกันมันก็จะสอนใจให้เราอยากจะทําอย่างนั้นคําถามจากคุณเอ็นเมื่อรู้สึกไม่มีใครเลยในชีวิตแม้แต่พี่ก็เอาเปรียบและสามีนอกใจบางครั้งรู้สึกไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรคะ่ะควรดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไรคะก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขเลยอย่าไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ เพราะเขาไม่แน่นอนเขาอาจจะดีตอนต้นแล้วเปลี่ยนไปตอนตอนหลังก็ได้ให้หาความสุขที่ไม่ที่ซื่อสัตย์กับเราก็คือความสุขที่เกิดจากการฝึกสมาธิฝึกสตินี่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเมื่อเรารู้จักวิธีทำแล้วเราก็จะอยู่กับเขาเขาก็จะอยู่กับเราไปตลอด คำถามจากคุณมีแค่เธอก็เกินพอกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจิตกับใจเป็นตัวเดียวกันไหมในทางธรรมค่ะทางภาษาก็เป็นเป็นตัวเดียวกันแต่เราบางทีก็แยกว่าคือจิตมีสองหน้าที่หน้าที่รู้กับหน้าที่คิดเวลาคิดเราก็มักจะพูดถึงจิตแต่เวลารารู้เราก็เรียกว่าใจจิตรู้จิตคิดใจรู้แต่เป็นตัวเดียวไม่ใช่เป็นสองตัวไม่ใช่เป็นสองอัน อันเดียวแต่ทำหน้าที่ได้สองอย่างเป็นทั้งรู้มีทั้งคิดได้มีความรับรู้รู้สึกนึกคิดได้แล้วก็รู้รู้เฉยๆได้คำถามจากคุณพันธิว่าเพราะเหตุใดทุกคนต่างก็ทราบดีว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แต่ทุกคนยังต้องการหาวัตถุเงินทองอยู่เรื่อยๆไม่มาภาวนากันครับเพราะกำลังที่จะหยุดมันไม่มีเราต้องมาฝึกสติเหมือนรถที่มันวิ่งไม่มีเบรก เรารู้ว่าเบรคมันไม่มีเบรกไม่ดีเดี๋ยวไปถึงสี่แยกมันก็ต้องชนกันถ้าเรารู้ว่ารถเราไม่มีเบรกเราทาอะไรเราต้องรีบไปติดเบรกไปซ่อมเบรกกัน ท, ทันทีใจเราของเราก็ต้องการเบรกคือสติพอยับยังความคิดความโลภความโกรธความหลงต่างๆก็ต้องพยายามเหมือนฝึกสติอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะตัดความโลภความโกรธความหลงลงไปได้ คำถามจากคุณแบมแบมสมมติถ้ากลับไปบ้านมีครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยจะทำอย่างไรให้รักษาการปฏิบัติไว้ได้คะปฏิบฏัติเท่าที่เราทำได้เพราะว่าเมื่อเราอยู่กับคนอื่นเขาเขาก็จะต้องมี อ, อิทธิพลต่อกับเราเ อ, อ, อย่างนี้ก็ทำเท่าที่เราทำได้ อ, อ, อ, อ, อย่าไปทำเกินกำลังเกินเหตุเกินผลเพราะมันจะทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์ได้